นี่สงครามพี่น้องฝ่ายหญิงเมื่อเกิดเรื่องเงนขึ้นแล้ว พระนางอเลนันดอก็ทรงเห็นชัดละว่าพระจัตติดาองค์ใหญ่ไม่ปลอดภัยทุแล้วจึงปราสชวนให้พระนางสุภคยีเสด็จออกจากพระตำหนักพระกรรมเฮศีไปประทับร่วมตำหนักอยู่กับพระองค์ดังที่เคยมาแต่ก่อนพระตำหนักพระอากมเฮศีก็ว่างลงพระนางสุภยรัตก็ม่ได้เสด็จเข้าไปอยู่ในตำหนักนั้น แต่ก็ได้ทรงวางหลักการบางอย่างลงไปได้สมดังพระทยัยในพระเจวันของพระเจ้ามุนเทียนทองที่กรุงมันดาเรนั้นจะหาผู้ใดที่มีอำนาจวาสนายิ่งใหญ่เกินพระนางสุพยลั์ไปก็หามิดได้ เรื่องที่เล่ามาแล้วนี่เป็นเหตุที่เกิดขึ้นในพระเจาฐานชั้นในถึงแม้วซาล า, าลูกขุนจะรู้เรื่องก็ไม่ได้เห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่โตอะไรมนะักถือว่าเป็นเรื่องของมเหตสีขี่หึงเหมือนหนึ่งเสือเท่านั้นกินวุ่นมินกี้คงจะยิ้มอยู่ในหน้าเพราะเหตุที่เกิดขึ้นนั้นแสดงเห็นว่าพระเจ้าสีปอ ทรงอ่อนแอจริงๆดังที่ขาดไว้เมื่อพระเจ้าสีป่อทรงอ่อนแอขนาดยอมให้พระมเหสีองเดียบังคับได้แล้วที่ไหนจะทรงแข็งพอที่จะขัดขืนอำนาจขุนนางในระยะนั้นสาลาลูกขุนก็สั่งราชการต่างๆไปตามายด้วยความเข้าใจว่าอำนาจการปกครองประเทศนั้นเป็นของตนแต่ผู้เดียว สิ่งที่สลาลูกขุนได้รู้ก็คือผู้หญิงนั้นถ้าดุแล้วก็ดุยิ่งกว่าเสือถ้ามีอำนาจแล้วก็ใช้อำนาจในทางที่ผิดและทารุณได้ยิ่งกว่าผู้ชายในสลาลูกขุนหลุดดอนั้นขุนนางแบ่งออกเป็นสองฝ่าย ฝ่ายหนึ่งนั้นเห็นว่าควรจะเอาใจอังกฤษแต่อีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่าควรเป็นศัตรูกับอังกฤษฝ่ายหลังนี้คือฝ่ายที่เห็นควรเป็นศัตรูกับอังกฤษเนี่ยก็คิดที่จะทําสงครามกับอังกฤษเพื่อจะยึดเอาดินแด น, นพมา่าภาคใต้ที่อังกฤษยึดเอาไปได้นั้นกลับคืนมาเป็นของพม่าให้ได้ดูตามเหตุการณ์ในขณะมันก็อาจจะกล่าวได้ว่าฝ่ายหลังนี้ ขาดสติปัญญาไม่ทันต่อเหตุการณ์แต่ถ้าคิดแต่เพียงว่าคุณนางในฝ่ายนี้เป็นคนพม่าที่รักบ้านเมืองของตนและมีความยิ่งในเกียรติภูมิของพม่าก็ออกจะเป็นคนที่น่านับถือและน่าเห็นใจอยู่มากอย่างไรก็ตามเมื่อผลัดแผ่นดินใหม่แล้วไม่นานฝ่ายที่เป็นปฏิบัติต่ออังกฤษ ก็ส่งฐานไปจับกับตันเรือของอังกฤษและคนโดยสารในเรือของอังกฤษอีกประมาณสาคนเรือที่กล่าวนี้เป็นเรือที่เดินขึ้นล่องในแม่น้ําอิรัวดีระหว่างเมืงองย่างกุ่งกับกรุงมันเดเลขณะที่เกิดจับกุมกันขึ้นนั้นเรือนะ่ะจอดอยู่ที่กรุงมันเดเลอังกฤษก็ต้องบ่นเป็นธรรมดา ว่าการจับกลุมครั้งนั้นทําไปโดยไม่มีหมายจับแต่ในราชการเมืองพม่าในสมัยนั้นไม่มีใครรู้หรอกเรื่องหมายจับหมายคนอะไรเนี่ยคือพระเจ้าแผ่นดินจะทําอะไรหรือผู้มีอํานาจจะทําอะไรก็ต้องทําได้รัฐบาลอังกฤษที่อินเดียได้ยื่งประท้วงอย่างแรงขอให้ปล่อยกับตันเรือและคนโดยสารที่ถูกจับ ซึ่งเป็นคนในบังคับอังกฤษและให้ลงโทษเจ้าพนัก ง, งานที่ไปทำการจับกลุมด้วยมิฉะนั้นทางฝ่ายอังกฤษก็จะทำการรุนแรงเป็นการตอบแพนมาถึงตอนนี้ฝ่ายที่กลัวฝรั่งยึดเมืองในสลาลุกคุณกลับเป็นฝ่ายชนะในความคิดเห็นฝ่ายพมา่า ปล่อยตัวคนที่ถูกจับทันทีและก็ลงโทษเจ้าพนักงานของพมา่าตามที่อังกฤษขอร้องมาความสัมพันธ์ระหว่างพม่า ก, กับอังกฤษก็ดูเหมือนจะราบรื่นดีขึ้นกว่าเดินไปพักหนึ่งพม่ายอมรับว่าจะไม่รังแกคนในบังคับอังกฤษและคนชาติอื่นๆในยุโรป การทำให้ฝรั่งพอใจนั้นลงได้ทำแล้วก็ออกจะสนุกเมื่อสาลาลูกขุนหลุดดอเห็นว่าฝรั่งตื่นเต้นพออกพอใจมากในก้าวใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่างพม่า ก, กับฝรั่งสาลาลูกขุนหลุดดอก็หาเรื่องทำให้ฝรั่งดีใจได้ด่อต่อไปคราวนี้ประกาศออกมาว่าเพื่อเฉลิมรัชการใหม่ พระเจ้าสีป่อจะได้ทรงเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองแห่งพ ม, ม่าเส้นใหม่โดยจะถือเอาแบบอย่างการปกครองของประเทศที่เจริญแล้วของนานาอ า, ารยะประเทศปราษฎรเมืองพม่าะจะมีสิทธิเสรีภาพต่างๆเท่าเทียมกับราษฎรในประเทศอังกฤษในสมัยที่นายแกลนสโตนเป็นนายก ร, กรัฐมนตรีคุณนางเมืองพม่าในสมัยนั้นถึงจะยังโบราณอยู่มาก แต่ก็รู้หลักการประชาสัมพันธ์ดีอยู่ข่าวเรื่องพระเจ้าสีปอจะทรงเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศนั้นไม่ได้ปรากฏออกมาเป็นข่าวลือแต่เป็นข่าวต่างประเทศกินวุนมินกี้อักขมหาเสนาบดีเป็นผู้ให้ข่าวเองและได้ทรงข่าวนั้นทางโทรเลขไปถึงยุโรปการที่พม่า ในขณะนั้นมีโทรเลขใช้แล้วและรู้จักใช้สายโทรเลขให้เป็นประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์นั้นยิ่งทำให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อมานั้นน่าอัศจรรย์ยิ่งขึ้นไปอีกพระเจ้าศีปอและพระนางสุพยรัต ท, ทรงปล่อยให้สาลาหลุดดอ สั่งราชการไปตามใจชั่วระยะเวลานเพราะทรงใช้ระยะเวลานั้ น, น, นศึกษาลูกทางแห่งการใช้พระราชอำนาจในราชการแผ่นดินเมื่อพระเจ้ามินดุงสเสด็จสวรรคตนั้นทั้งพระเจ้าศรีปอและพระนางสุปรจารัตย์ยังนับว่าทรงพระยาวไม่เคยว่ารชการบ้านเมืองพระเจ้าศรีป่อเอง ก็ทรงอยู่ในความเป็นพิสุภาวะไม่ได้ทรงเกี่ยวข้องกับทางโลกยังเป็นพระอยู่ระยะเวลาเมื่อตอนต้นต้นแผ่นดินจึงเป็นระยะเวลาแห่งการประทมนิเทศของพระเจ้าสีปอและพระนางสุปรยรักษ์ทั้งสองพระมิได้เคยคิดที่จะปล่อยให้กิมุลมินกี สำเร็จราชาการมีอำมาจสิทธิ์ขาดไปโดยไม่มีที่สิ้นสุดแต่ทรงรอเวลาวักวันหนึ่งจะต้องเข้าใช้พระเาอำมาจโดยพระองค์เองหากกิงุนมิงกี้เป็นคนฉลาดจริง mm. ก็คงจะทราบได้ว่าพระเจ้าแผ่นดินและพระมเหสีนั้นมีพระราชลัยอย่างไร mm. เพียงแต่จะมองดูเหตุการณ์ภายในวันก็คงจะทราบได้ชัด เพราะพระนางอเลนันโดผูดทรงพยายามที่จะเข้าควบคุมสั่งเสียให้พระเจ้าสีป่อและพระนางสุปรยรัตทรงปฏิบัติการต่างๆนั้นต้องถอยยศหมดวาดสมาไปจนสิบเพราะทั้งพระเจ้าสีป่อและพระนางสุปรยรัตไม่ได้ทรงเชื่อฟังพระนางอเลนันโดแม้แต่น้อยตั้งแต่เกิดเรื่อง พระนางสุภคยีมาแล้วอ่ะพระนางอเลนันดอก็ได้แต่ประทับอยู่อย่างเงียบๆที่พระตำหนักไม่ได้มีผู้ได้เกรงกลัวนับถืออย่างแต่ก่อนพระนางสุภยาลัตเริ่มทรงคิด การเกี่ยวกับเจ้ามายลูกเธอของพระเจ้ามินดุงที่ถูกกุมพระองค์อยู่ในหวังรวมทั้งพระเมรุเฮสีและเจ้าจอมต่างๆอีกมากนะถ้าหากไม่จัดการอย่างไรกับเจ้ามาและคนสําคัญเหล่านี้แล้วอำมาจของพระองค์ก็มินเมยอยู่ตลอดไปไม่มีวันที่จะวางพระทัยได้พระเจ้ามายลูกเธอพระเจ้ามินดุงที่ทรงอาวุโสกว่าพระเจ้าศรีปอ และที่ควรจะได้ราชสมบัติก่อนพระเจ้าศรีปอนั้นก็มีอยู่หลายองค์เจ้านายเหล่านั้นต่างองค์ต่างก็มีค่าไทายมากและคงจะต้องมีคุ้นางที่เป็นพวกพ้องอยู่ไม่น้อยปล่อยไว้ก็จะต้องเป็นภัยต่อพระเจ้าศรีปอและต่อพระนางสุภยรัต์เองเขาสักวันหนึ่งจะประมาทมีได้จริงอยู่พระเจ้ามินดุง ได้เลิกประเพณีประหารชีวิตคนที่จะขัดขวางไว้แล้วตั้งแต่ได้ทรงยึดพระธรรมาจจากพระเจ้าพระคันมินแต่ไม่ได้สําเร็จโทษพระเจ้าพระคันมิ่นเพียงแต่ปลดออกจากพระเจ้าแผ่นดินและให้คงพระอิสริยยศไว้เมื่อถึงต้นแผ่นดินพระเจ้าสีปอพระเจ้าพระคันมิ่นก็ยังมีพระชนชีพอยู่และประทับอยู่ในพระเจวัง ถึงพระเจ้ามินดุงได้ทรงจัดไว้ให้แต่พระเจ้าพะคันมินนั้นถ้าพูดอย่างภาษาธรรมดาสามันก็เรียกได้ว่าเป็นคนบ้าบอบบแม้ถูกโปรเจกด้สมบัติแล้วแต่ก็ยังวางพระองค์เป็นพระเจ้าแผ่ดินอยู่ในวังนั่นแหละคือเป็นใหญ่อยู่ในวังแต่พูดเดียวมีการเสด็จออกขุนนางตามระเบียบ มีมาหาดเล็กคอยประโคมครบเครื่องประโคมบ้างไม่ครบบ้างและมีข้าพายที่เป็นคนแก่หลงๆอรอเืเด็กๆลูกหลานคนในวังเข้าเฝ้าตามตําแหน่งขุนนางน่าสนุกอยู่ไม่น้อยอ่ะแต่เพื่นางสุปรยลรักษ์ก็เห็นว่าพระเจ้าพะคันหมิ่นนั้นน่ารําคาญอยู่แล้วพีึงแม้ว่าจะไม่เป็นภายต่อพระองค์หรือต่อผู้ใดก็ตาม แต่พระเจ้าลูกอาเรวด์เจ้านายลูกเธอของพระเจ้ามินดุงนั่นดิไม่ใช่พระเจ้าพระคันมินนี่เออไม่ใช่คนบาบา บ, า บ, าบาอย่างนั้นนี่จะได้ไม่มีอันตรายจะมาขังไว้ตลอดไปไม่มีที่สิ้นสุดก็ไม่ได้จะปล่อยองค์ออกไปก็ไม่ได้อีกแล้วหนทางที่เหลืออยู่นั้นก็มีอยู่ทางเดียว ในความคิดเห็นของพระนางสุพยรัตน์ทางเดียวทางนั้นก็คือต้องสมเ็จโทษเสียให้หมดสิน้นพระนางสุพยรัตน์ทรงคิดอย่างนี้เมื่อปีพุทธศักราช2421 106หนึ่งปีมานี้เองในช่วงนั้นระยะนั้นก็หลังจากที่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งราชวงศ์จักรีบรมราชาพิเศษเป็นครั้งที่สองแล้วถึงห้าปียุคนั้นเป็นยุคของคนใหม่และหัวคิดใหม่ในประเทศไทยความคิดของพระนางสุพยรลักษณ์แห่งพมา่าในระยะเดียวกันนี้จินฟังดูแล ปาเถือนลาสมัยสิ้นดีแต่เราก็ไม่ควรจะลืมว่าในเมืองไทยเราหลังจากปี275มานี้ก็มีคนที่คิดอย่างพระนางสุประโยชนอยู่หลายคนและก็มีผู้ต้องรับกรรมไปก็ไม่น้อยและในโลกนี้ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งเป็นต้นมาผู้ปกครองประเทศ ทั้งที่เป็นเผด็จ ก, การและเป็นคอมมิวนิสต์ก็ได้ใช้ความคิดและเหตุผลของพระนางสุพยรัฐนี่แหละประหัตประหารเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมามีรู้จักว่ากี่แสนกี่ล้านคนบางทีพระนางสุพยรักแห่งกรุงมณฑลเลพมานี ก็จะไม่ได้ทรงเป็นคนหัวโบราณหนึ่งที่คนทั้งหลายนึกกันมาก็ได้เอ่อพระนางสุพยรัตได้กราบบังคมทูลพระเจ้าสีปอดึงเรื่องที่ควรจะสำเร็จโทษเจ้านายเหล่านั้นแบบตัดไม้ไม่ไว้หนอ เรื่องนี้พระเจ้าสีปอก็ย่อมจะทรงเห็นคล้อยตามด้วยเป็นธรรมดาเพราะพระเจ้าสีปอ น, นั้นก็ทรงเกรงกลัวพระนางสุปัจญ์เสร็แล้วอย่างถอนพระองค์ไม่ขึ้นแต่ก็ยมีขุนนางบางคนที่กราบบังคมทูลทัดทานในเรื่องนี้กินวุนมินกี้นั้นเป็นผู้หนึ่งที่มีได้เห็นคล้อยตามพระนางสุปัจญากินวุนมินกี้ ได้กราบบังคมทูลว่าถ้าหากสมเ็จโทษเจ้านายที่ต้องคุมขังไว้เสียให้หมดได้บ้านเมืองก็จะราบคาบจริงแต่ทางอังกฤษซึ่งคอยหาเรื่องหาเหตุอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเนี่ยจะว่าอย่างไรขณะนั้นอังกฤษได้ขึ้นมาสร้างป้อมและส่งทหารมาไว้ที่เมืองตองอูและที่เมืองอื่นๆ ซึ่งใกล้กับชายแดนพระราชนาเขตอยู่แล้วหากอังกฤษไม่พอใจเรื่องสาเร็จโทษเจ้าไมเป็นมนุนมากมายเช่นนี้อังกฤษก็อาจจะส่งทหารเข้ามายึดเมืองมันดาเลสได้โดยง่ายถึงแม้ว่าเรื่องสาเร็จโทษเจ้าไมจะถือว่าเป็นราชการภายในไม่เกี่ยวไม่ค้องกับอังกฤษแต่อังกฤษก็คอยหาเหตุอยู่แล้ว จะประมาทมิได้ธรรมดาคนโทษอยู่ในคุกนั้นยอมจะเจ็บ่ายล้มตายไปเองถ้าหากว่าเจ้านายที่ต้องจองจำอยู่นั้นจะประชวนสิ้นพระชนไปเองทีละองค์สององค์อังกฤษก็คงจะไม่ยกมาเป็นเหตุว่ากล่าวได้นี่กินมุนวินกี้มีสมี ม, ม, มีมีเหตุผลอย่างนี้แหละคือจะไม่ให้ขา เพราะเกรงอังกฤษอยู่ปล่อยไว้เฉยๆก็ตายหมดไปเองแต่เสนาบดีคนอื่นๆมิได้เห็นด้วยกับกินวุฒมินกี้เสนาบริเห็นด้วยนั้นก็มีแตงดามินกี้เป็นผู้นําและเป็นปากเสียงโดยเด็กกราบบังคมทูลสมเด็จพระเจ้ากรุงอังวะนั้นทรงเป็นอิสรภาพมีพระเจ้าอมาัมม่าเป็นล้นพ้นในพระเจัจจ เมื่อมีพระเจปรสงสิ่งใดการก็จะต้องเป็นไปตามพระเจประสงค์นั้นเหม็นจะต้องไปคิดถึงว่าฝรั่งชาติอังกฤษจะไหวอย่างไรถ้าหากอังกฤษจะถือเอาเรื่องสำเร็จโทษจ่ามายเป็นสาเหตุเขามารุกรานพระชนะจนาจักแตงดามินกีก็จะขออาสาทำราชการสงคราม สนองประเด็เพระคุณเอาชายชนะแกหรือราชสตรุ้ยจงได้ขณะนั้นไพรพลทั้งหลายก็พร้อมอยู่แล้วแตงดาหมิ่งกี้ได้ฝึกฝนอบรมและพรมปลือไว้ดีประดุดช้างศึกเมามันที่ยังตกปลอกไว้หากปลดปลอกออกเมื่อใดก็จะโลดแล่นออกไปเหยียดขยี้ข่าซึกเป็นพัทุรีไป นี่เหตุผลของแตงดามินกี้จากเมืนออังกฤษในขณะนั้นก็ยังต้องทำศึกพร้อมๆกันอยู่หลายด้านในอัฟกานิสถานอังกฤษก็ต้องรบพุงกับขา้าศึกศัตรูอยู่ในแอฟริกาที่เมืองอที่เมืองอิซาธมาวาอังกฤษก็ต้องพ่ายแพ้แก่คนป่าแอาฟริกา ที่มีแต่หอกเหลาแหลนเป็นอาวุธถูกคนป่าข่าฟันจะน้ำไม่ทวนเมื่ออังกฤษก็รู้อยู่ว่าพร่พลเมืองอังวะนั้นเพียรพร้อมบริบูรณ์ดีอยู่และมีน้ำใจกล้าหาญในการสงครามเห็นทีอังกฤษจะไม่กล้ามาก่อเหตุขึ้นในครั้งนี้นี่เหตุผลของแตงดามมินกิพระเจ้าศรีปอได้ฟงดอดเด็จทรงฟังดังนั้นก็ ทรงเห็นชอบด้วยปรับให้สำเร็จโทษเจ้านายทั้งปวงที่ถูกจองจำอยู่นั้นแต่เจ้านายทั้งหญิงและชายตลอดจนพระชนนีเจ้าจอมมารดาที่จะต้องถูกสำเร็จโทษถูกประหารนั้นมีอยู่หลายสิบก็จำต้องเตรียมการต่างๆไว้พรักพร้อม ในขั้นแรกให้เบิกตัวคนโทษจากคุกเมืองอังวะเป็นอันมากเขามาขุดดินในพระราชวังทางมุมด้านทิศตะวันตกให้เป็นหลุมกว้างใหญ่ใกล้หลุมนั้นก็ให้ปลูกโรงไม้ไผ่ตีพื้นด้วยไม้จริงรังคาขาดผ้าสีและมีการผูกม่านสำหรับเจ้าพนักงานมั่ง พนะ ง, งานฝ่ายนายได้รับฟังให้เย็บถุงผ้าแดงเป็นจำนวนมากละ่ะจนผ้าแดงที่คลังใม่มีไม่พอต้องออกกว้านซื้อจากนอกหวังถุงผ้าแดงที่จะได้สวมใส่เชือพระวง์ทั้งหลายเหล่านี้เพื่อการทุบดรวยท่อนจัน์เป็นการประหารการกรบเตรียมการสำเร็จโทษนี้ ก็เป็นข่าวกระซิบที่เลื่องลือกันไปทั่วชาวบ้านร้านตลาดได้ยินแล้วก็าพากันถอนใจใหญ่มีใครได้มีพูดใดจะกล้าพูดไว้อย่างไรแม้แต่เจ้าไม้ที่ต้องจำอยู่ก็ทรงทราบข่าวนี้เมื่อทรงทราบแล้วก็ได้แต่หันรพระพักก็ปรับทุกข์กันหรือทรงกันแสงร่ำให้เท่านั้น ความจริงที่พระเจ้าสีปอกรับอนุญาตให้สําเร็จโทษเจ้าไม้พี่น้องของพระองค์เองไปนั้นก็เพราะความเกรงกลัวพระนางสุพยรัตน์ในพระเจริญาาแท้จริงเห็นจะม่ได้ทรงจองเวรถึงเพียงนันหรอกเพราะเจ้าไม้ที่จะต้องถูกสําเร็จโทษนั้นเป็นเจ้าไม้ที่ทรงพระเจเริญเป็นผู้ใหญ่แล้ว ส่วนเจ้านาที่ยังทรงพระยาวบางองค์พระเจ้าสีปอได้กรัสขอชีวิตไว้แต่ถึงอย่างนั้นเมื่อใกล้วันเข้ามาพระเจ้าสีปอก็ยิ่งเศร้าหมองพระราชฤทยัยประทับมึนเมย์ อ, อยู่แต่พระองค์เดียวมิได้กรากับผู้ใดนางเคยมาเลยพระนางสุภยรัตน์เห็นพระอาการก็ทรงทราบ พระราชลึไทายพระเจ้าสีปอว่ายังทรงพระเมตตาอะไราเจ้าหมายทั้งหลายทั้งปวงนั้นอยู่พระนางจึงสั่งให้มีองานเตรียมการที่จะมีงานปล่อยหลวงงานปล่อยหลวงคืองานรื่นเริงขนาดใหญ่ขึ้นทั้งในพระเจวังและนอกพระเจวังกะวันงานนั้นให้ตรงกับวันที่จะสำเร็จโทษเจ้าหมายทั้งปวงที่ในวังนั้น พระนางสั่งให้ปลูกรงรครขึ้นและให้ปลูกระพราที่ประทับทอดพระเนตรรครนอกพระราชวังก็ให้ปลูกรงรครขึ้นหลายแห่งสำหรับราษฎรจะได้มาดูรครให้รื่นเรงเมื่อเห็นว่าพระเจ้าสีปอดเศ้าหมองพระจรตรไทยมนะั้พระนางสุพจรั์ก็ถวายน้ำจันทร์ให้เสวยนิได้ขาด และกรัดให้ตามตัวขุนนางคนโปรดเข้ามาเฝ้าอยู่เป็นเพื่อนอันมีแตงดามิงกี้และยาหนองมิงขาเป็นต้นรวมทังขุนนางที่เคยเป็นข้าหลวงเดิมของพระเจ้าศีป่ออีกหลายคนขุนนางเหล่านั้นก็เข้ามาเสพสุราและก็ช่วยกันรินน้ำจันทถวายพระเจ้าสีปอต่างพากันพูดคุย สนุกเฮฮาตามประษาคนเมาเหล้าพระเจ้าสีปอก็ค่อยคลายพระเจริษไทยสวยน้ำจันเป็นสุขไปกับคุณนางเหล่านั้นการเตรียมงานทั้งหลายนั้นก็เสร็จลงในที่สุดงานรื่นเริงมีละครนั้นเริ่มขึ้นในวันที่15กุมภาพันธ์ปีพุทธศกราช2422 ก่อนถึงวันนั้นหลุมใหญ่ที่ท้ายวังก็ขุดเสร็จแล้วโรงเจ้าพนัก ง, งานก็ปลูกเสร็จแล้วท่อนจันและถุงผ้าแดงที่ทำโดยผ้ากรมมี่จำนวนมากก็ได้ขนไปวางไว้ที่โรงนั้นครบถ้วนแล้วที่โรงละคร น, นั้น ปีพาธและตัวละครก็มาชุมมุมกันพร้อมแล้วคอยแต่เวลาที่จะเสด็จลงพอได้เวลาพระเจ้าศรีปอและพระนางสุปัจจาราตก็เสด็จลงทอดพระเนตรละครปีพาธก็โหมโรงเสียงคลองกลองของปีพาธพมา่าก็ดังกึกก้องไปทั่วกลบเสียงอื่นๆ มีใหเล็ดลอดเข้ามาถึงพระกันของพระเจ้าสีป่อได้นนั่นเองเสียงที่พระนางสุภจรั์ต้องการจะกลบเสียงนั้นก็คือเสียงเสียงของคนที่กําลังถูกฆ่าละครที่มาเล่นในวันนั้นพระนางสุภจรัสสั่งให้หาละครนอกเพราะมีตลกโปกฮาส่งเสียง ด, งดังได้มาก ถึงแม้วัดเสียงร้องระครและเสียงปีพาดจะดังไม่พอกลบเสียงอื่นเสียงคนหาก็อาจจะช่วยได้อีกมากขณะที่ละครเล่นพระนางก็ได้แต่เร่งให้ปีพาดไปให้ดังขึ้นปรับสั่งให้คนร้องร้องให้ดังขึ้นให้เล่นตลกให้มากมากเข้าและฟงพระสวนดังๆ ชักนาคนดูทั้งมวล น, นั้นให้หาหาติดต่อกันไปไม่ขาดระยะพระนางสุภยลัตเด็กขึ้นเป็นพระเหตหสีเพียงไม่กี่สัปดาแต่คนทั้งหลายก็รู้แล้วว่าตนไม่อาจขัดพระราชประสงค์ของพระนางได้คนทั้งหลายรู้ทีเดียวว่าพระนางรู้จักใช้อำนาจได้เป็น แล้วจะมีใครกล้าขับพระราชประสงค์เสียงที่โรงละครในวังนั้นจึงดังกึกก้องประดุกฟ้าจะถล่มทลายแต่บางครั้งก็มีเสียงหวีดร้องดังมาแต่ไกลผสมปนกันไปพระเจ้าสีปอหันพระพักไปมองทางต้นเสียงพระนางสุพยรัตน ก็หันมาถลึงพระเนตรกับปิพาไในทันใดนันคนกรองก็จะรัวกรองคนฉาบก็ร้องฉาบเสียงหวีดร้องนั้นก็เลือนลางไปคือเอาเสียงดนตรีเหรานี้กลบซะให้หมดนางพนักงานข้างายที่คอยเฝ้าอยู่ก็รินน้ำจันทร์ใส่ถ้วยทองถวายให้ถึงพระหัตถ์พระเจ้าสีปอตลอดเวลา ขนาดเดียวกันนั้นที่โรงรึปล ร, รำซึ่งปลูกไว้หน้าหลุมใหญ่ท้ายวังนะ่ะเจ้าพนัก ง, งานและขุนนางผู้มีน้าที่เกี่ยวข้องก็เข้าไปนั่งตามตำแหน่งขุนนางผู้ใหญ่นั้นมีสมุหะพระกราหหมคือแตงดามินกี้สมุหพระกราโหมและมีเจ้ากรมเรือหลวง ผู้สูงมีตำแหน่งเมียวุ่นว่ากรมเมืองอีกด้วยนอกนั้นก็มีขุนนางแช่นรองๆองลงมาและพวกเพชฌฆาตราชมันอีกมากปรากฏว่าเท้านางข้างในก็ออกมานั่งที่ปรมเหมืนเหมือนกันเพราะมีเจ้านายข้างในต้องถูกสําเร็จโทษอยู่ด้วยที่มุมปรมนั้นก็มีถุงผ้าแดงกองอยู่กองโต ความดำเนินต่อไปว่าพวกเพชรขาดราชมันนั้น ต, ตรวตตาดูเครื่องมือของตนอยู่อย่างขมักขม้นคือได้ดิบสำหรับมัดพระองค์เจ้านายแบบมัดราสังทั้งเป็นและท่อนจันอีกเป็นจานวนมากท่อนจันมีดังกล่าวดังพรรณนาให้ฟังมาแล้วนะครับ เพชฌฆาตเมืองพม่านั้นหน้าตาดุร้ายหนักเกรงขามเพราะเป็นผู้ร้ายฆ่าคนที่ได้รับพระราชทานภัยโทษให้มารับราชการในกรมนี้พวกที่เป็นผู้ร้ายมาก่อนทั้งนั้นด้วยเหตุที่คนธรรมดาผู้ยังไม่เคยฆ่าใครอะ่ะก็ไม่ยอมทำงานนี้ เมื่อเด็ดปลดปล่อยผู้นี้มาแล้วทางราชการเนี่ยจะสัตว์แก้มคนร้ายเหล่านี้เป็นรูปวงแหวนไว้ทั้งสองข้างเพื่อเป็นการบอกให้คนทัพวงได้รู้ว่าคนเหล่านี้เป็นใครหากมีการหลบหนีไปก็จะได้จาตามจับตัวได้ไง่ายในโอกาสนี้ท่านกลาโหมได้สั่งให้เลี้ยงเล่าเพชฌฆาตเป็นพิเศษอีกด้วยเพราะจะได้ไม่ประมา เมื่อต้องสำเร็จโทษเจ้านายและราชการที่จะต้องทำคราวนี้หนักมากจะต้องกินเหล้าเอาแรงเขไว้ผู้ที่จะสั่งให้เบิกพระองค์เจ้านายออกมาได้นั้นก็คือท่านอัคมหาเสนาบดีสมุหะพระกะลาโหมแตงดาหมินกี้แต่ถึงแม้ว่าทุกอย่างจะพร้อมแล้ว แตงดามินกี้ท่านอัคขมหาเสนาบดีสมุหะพระกราหโหมนี่ก็ ย, ยังนั่งเคี้ยวหมากเฉยอยู่ตอเมื่อดีนเสียงดนตรีดังมาจากโรงรละครก็แสบเป็นอันว่าสราบความแน่นอนแล้วว่าเด็กเสด็จลงทอดพระเนตรละครแล้วแตงดาหมินกี้จึงยิ้มพยยักหน้ากับเมียวุ่น สิ่งหันหน้าไปสั่งขุนหมื่นที่นั่งอยู่ใ ก, กล้ๆเบาๆสองสมคำเจ้าพนัก ง, งานก็คุมพระองค์เจ้านายออกมาอย่างที่สําเร็จโทษเจ้านายที่ถูกคุมพระอ ง, งออกมานั้นเป็นเจ้านายฝ่ายหน้าที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีอเป็นเจ้านายฝ่ายหน้าเป็นเจ้านายฝ่ายหน้าที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีเพียงทรงพระเยาว์ ไม่เดียงสาก็มีเป็นเจ้านายฝ่ายในทั้งที่ยังทรงพระเยาวตลอดจนถึงที่ทรงพระชาราแล้วก็มีเรียกว่าทุกเพศทุกวัยแล้วกันเจ้านายชั้นพระเจ้าลูกเธอส่วนมากนั้นทรงพระดำเนินมาอยัางตะแลงแกงอย่างองอาจแต่ก็มีบางองค์ที่ทรงพระดำเนินไม่ได้เสียแล้ว เจ้าพนัก ง, งานต้องนำพระองค์มาแบบเรียกว่าครึ่งแบกครึ่งหามครึ่งลาครึ่งจูงเจ้านายพระองค์เล็กๆทรงพระดาเมินเกาะพันนุง่งเจ้าจอมมารดาออกมาพระเนตรกวาดไปรอบๆเพราะไม่รู้เลยว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนี่หมายถึงเจ้านายองค์เล็กๆ เ, เมื่อได้เวลาราชมันก็จะได้ดิบ เข้ามามาัดพระองค์เจ้านายที่จะต้องสำเร็จโทษและมัดตัวคนอื่นๆที่จะต้องถูกประหารเข้าไว้แล้วการสำเร็จโทษการประหารชีวิตก็เริ่มขึ้นสำหรับเจ้านายฝ่ายน้านั้นใช้ท่อนจันทุบที่พระศรด้านหลังตรงคอต่อทุบบึ เข้าไปอย่างแรงพระมเหสีและเจ้าไม้ฝ่ายไม้ใช้ทุกที่พระสอทางด้านหน้าคือที่ตรงลาคอด้านหน้าก็รูกระเดือกทุบเข้าไปตรงรูกระเดือกเจ้าจอมานดาและคนอื่นๆที่นี้ใช่เจ้าก็ใช้ดาบหรือใช้ไม้พรองกระบองสั้งตามแต่เพชฌฆาจะเห็นสนุก การสมร็จโทษและการประหารชีวิตกระทำกันไปโดยไม่หยุดยัง้งทํากลางเสียงควรครางของผู้ติดกำลังจะตายเสียงหวีดร้องด้วยความสยดสยองของสตรีที่กำลังรอเวลาที่ตนจะต้องถูกประหารเมื่อร่างกายของเจ้ามายพระองค์ใดแม่นิ่งไปเจ้าพนัก ง, งานก็จะใส่ถุงรวมไว้ แล้วก็โยนลงไปในบ่อที่ขุดเตรียมไว้แล้วคนอื่นๆก็ถูกโยนลงไปโดยไม่ต้องใส่ถุงสำหรับคนธรรมดาไม่ต้องใส่ถุงบางคนซึ่งมีจำนวนไม่น้อยทีเดียวที่ถูกโยนลงไปทั้งที่ยังยังกระดิกได้และยังร้องได้คือยังไม่ตายอ่ะ ด้วยการทุกเพียงเท่านี้บางทีก็ยังไม่ขาดใจตายทันทีแต่ใครจะตายหรือใครจะยังไม่ตายนั้นไม่สำคัญเพราะในขั้นสุดท้ายหลุมนั้นก็จะต้องกลบใครไม่ตายก็ไปตายเอาตอนถูกกลบแล้วนั่นเถอะพระเจ้าลูกเธอส่วนมากนั้นเผชิญมรณะด้วยความองอาจกล้าหาญ สมกับชาติคติยะพระองค์เจ้าสัง่งสาบแช่งพระเจ้าศรีปอจนสิ้นลมเมื่อเจ้าไม้ที่เป็นน้องบางองค์ร้องขอชีวิตต่อเจ้าพนักงานพระเจ้าเมฆระก็จะทรงห้ามปราบไว้รับสั่งว่าทีใครทีมันถ้าพวกเราคนใดคนนึงได้ราจสมบัติเราก็คงจะทำกับเจ้าศรีปอ อย่างเดียว ก, กันกับที่มันทำกับเราอยู่บัดเนี้ยพระองค์เจ้าเมงทูลผู้สิ้นเจริญแล้วด้วยพระชนมายุทรงกรวดนา้อาอโหสิ ก, กรรมให้แกพระเจ้าสีปอและพวกเพชฌาตกรวดนา้าให้แกพระเจ้าสีปอดด้วยให้แกพวกเพชคาต ด, ด้วยแล้วประกาศไม่ขอจองเวรต่อผู้ใดนี่เป็นอิทธิพลของศาสนา เจ้าเมืองพระโคซึ่งถูกประหารชีวิตในคราวนี้ด้วยออกจะตายอย่างประหลาดคือเพชรขาตเอาดินดำดินดำหมายถึงดินปืนนะไม่ใช่ดินดำดำหรอก เ, อเพชราตเอาดินดำยัดจมูกยัดปาดท่านผู้นี้จนเต็มแล้วก็ต่อสายชนวนเอาไฟจุดให้ระเบิด หน้าตาก็ระเบิดหมดเด็กเล็กๆถูกดึงตัวไปจากอ้อมอกของแม่แล้วก็ถูกจับสองขาเอาหัวฟาดกับกำแพงวังให้ตายอย่างทารุณที่สุดการกระทำทารุณกรรมอย่างอื่นๆยังมีอีกมากซึ่งจะเล่าให้ละเอียดต่อไปก็เห็นจะไม่ไหวเพราะผู้เขียนเอง ก็รู้สึกว่าชัดจะไม่ไหวขึ้นมาเส็จแล้วสรุปรวมกันให้เห็นชัดๆเลยทีเดียวว่าการฆ่าการฆ่าคนในครั้งนั้นจะมากจะน้อยประการใดอย่างไรนี่กระทำกันอยู่ถึงสามวัน เจ้านายตลอดจนคนอื่นๆที่ต้องตายครั้งนั้นจํานวน80คนเสร็จในคืนที่สเมื่อแตงดามินกี้ทําราชการสนองพระเดชพระคุณพระเจ้าสีปอเสร็จเรียบร้อยแล้วแตงดามิงกี้ก็เข้าไปเฝ้ายังโรงละครเมื่อแตงดามิงกี้เข้าไปถวายบังคมที่โรงละคร พระนางสุพยรัต ก, ก็ทรงทราบใดทันทีโดยไม่ต้องกราบถูในเสียเวลาว่าบัดนี้เสี้ยนหนามของพระองค์นั้นหมดสิ้นลงแล้วตั้งแต่พระเจ้าสีปอและพระนางสุพยรัตเสด็จลงโรงละครนั้น ไม่ได้เสด็จขึ้นเลยเป็นเวลาสามวันสามคืนคือว่าทอดพระเนตรละครแบบมาราธอนติดต่อกันตลอดเวลาเลยสามวันสามคืนเลยเสียงร้องเสียงปิดผาดเสียงเจรจาเสียงตะลกเสียงเฮฮาก็ไม่ได้เงียบลงเลยตลอดเวลาสามวันสามคืนนั้น แต่พอแตงดาหมิ่งกี้เข้าไปถาวายบังคมเสียงปีภาดและเสียงร้องละครดูเหมือนจะเบาลงไปเองตลกก็พากันเข้าโรงตัวละครก็กลับขึ้นเตียงมั่งใช้บทแต่ช้าช้าและพระนางสุภยรัตก็รู้สึกว่าพระองค์เองนั้นก็เห น, นื่อยอ่อนเพลีย ม, มาก สิ่งที่ต้องพระประสงค์อย่างยิ่งยวดในขณะนั้นคือพระแท่นบันทมซึ่งจะทรงพระบันทมหลับพระเนตรไปอย่างสนิทไม่มีกังวลอีกต่อไปเมื่อพระเจ้าสีปอดประนางสุปจรัสเสด็จขึ้นแล้วไม่นานผู้คนก็หายไปจากโรงรละครเจ้าพนัก ง, งานก็ดับโคมไฟและอีกพักหนึ่งโรงรละครนั้นก็มืดและก็เงียบ เียบปราศจากผู้คนแต่ราชการของเจ้าพนัก ง, งานกรมเมืองที่ท้ายวังนั้นยังไม่เสร็จต้องเบิกตัวนักโทษมาจากเรือนจำให้ทําหน้าที่โกยดินกลบหลุมใหญ่นั้นกลบหลุมศพอันใหญ่มหาศาลนั้นนักโทษเหล่านั้นต้องทำงานอยู่ทั้งคืนพอรุ่งเช้าหลุมมันก็กลบ และเคลีย์เรียบร้อยปรามมันก็รื้อถอนไปจนหมดไม่มีร่องรอยใดๆเหลือคนโทษทั้งหลายนั้นที่เบิกตัวมาทำงานน่ะก็ถูกส่งตัวให้คุมตัวส่งกลับเข้าไปยังเรือนจำอย่างเดิม ร, รุ่งขึ้นอีกวันหนึ่ง แต่งดาหิิงกี้และเมียวุลตลอดจนเจ้าพนักงานทั้งหลายทั้งวงที่เกี่ยวข้องก็ได้รับพระชทานบำเหน็จรางวัลเป็นัันมากขุนนางหลายคนได้เรื่อนตำแหน่งราชการขึ้นไปสูงๆเพราะผู้ทิ่ครองตำแหน่งอยู่ก่อนหาชีวิตมิได้แล้วนี่แต่เรื่องหลุมใหญ่ท้ายวันนั้นยังไม่จบอีกสี่ห้าวันต่อมา ไอ้เจวดินที่กลบและเกลีย่ยไว้จนเรียบร้อยนะ่ะมันอูดนูนขึ้นมาเป็นเนินแล้วก็เริ่มจะแตกแยกเป็นร่องพระนางสุปยรัสตรัสสั่งให้เอาช่างหลวงจำนวนมากมาเดินเหยียบดินนั้นให้แน่นสนิดลงไปอีกแต่เรื่องมันก็ยังไม่จบอยู่นั่นเองคนในหวัง ที่เดินผ่านทางนั้นในเวลากลางคืนได้ยินเสียงได้ยินเสียงผีร้องโหยหวนจนมือกันแท้ไปทั้งวังความนั้นก็สาบมาถึงพระกันพระนางสุภยัลิ์อีกเพราะขณะนั้นในตอนดึกของคืนวันหนึ่งปรากฏว่ามีเกวียนหลายสิบเล่มเกวียนแล่นออกไปจากพระราชวัง ตรงไปออกจากเมืองมันเดเลทางประตูทิศตะวันตกซึ่งเป็นประตูผีแล้วแล่นต่อไปยังฝั่งแม่น้ำอิรวดีไปเทของที่บรรทุกเกวียนลงแม่น้ำบนเกวียนทุกเล่นเกวียนนั้นมีถุงแดงกองสมุกันอยู่แล้วกลิ่น ที่คลุ้งออกมาจากเกวียนแต่ละเล่ม น, นั้นทำให้สุนัขในเมืองมันเดเลหอนเกลียวกันไปทั้งเมืองผู้คนที่ยังหลงอยู่ตามถนนหนทางพากันหลบเข้าสู่ที่มืดโดยเร็วเมื่อไรเห็นแสงโคมทหารถือ่องทางเกวียนมาส่วนผู้คนที่หลับนอนอยู่ในบ้านช่องสองข้างทางได้ยินเสียงหมาหอนผิดสังเกต ก็ลุกขึ้นมาแงมประตูแงมหน้าต่างดูอืมเมื่อได้แรงเห็นกองเกวียนและได้กลิ่นที่โชยครุ่งมาแตะจมูกต่างก็พากันงับประตูหน้าต่างรีบกลับเข้านอนและเห็นจะไม่ต้องบอกก็ได้ละกระมังว่าในคืนนั้นคนในเมืองมันเดเล ต้องนอนคลุมโปงกันทั้งเมืองมีสุภาษิตอังกฤษอยู่บทหนึ่งซึ่งพอจะแปลเป็นไทยไทยให้ได้เนื้อถ้อยกระทงความว่าประชาชนเป็นอย่างไรก็ได้รัฐบาลอย่างนั้น ซึ่งก็เป็นความจริงอยู่ครึ่งเดียวแต่ถ้าจะพูดให้ครบเห็นจะต้องพูดต่อไปว่ารัฐบาลเป็นอย่างไรก็ได้ประชาชนอย่างนั้นถ้ารัฐบาลเป็นผู้ร้ายฆ่าคนประชาชนก็จะฆ่ากันมากถ้ารัฐบาลคดโกงทุจริตประพฤติตนเป็นโจรโจรผู้ร้ายก็จะชุกชุมในบ้านในเมือง ความจริงในข้อนี้เห็นได้ชัดในรัชกาลของพระเจ้าสีปอเมืองมันดะเลพม่านี่แหละคือเมื่อข่าวสำเร็จโทษและประหารเจ้านายขุนนางในวังได้แพร่สะพัดออกไปทั่วประเทศโจรผู้ร้ายก็ได้ใจเที่ยวข้าฟันผู้คนปล้นสะดมรัสดรได้รับความเดือดร้อนไปทุกหยองหยา นอกกรุงมันดาเรออกไปนั้นเรียกได้ว่าบ้านเมืองไม่มีคือไม่มีแปลกันละขุนนางที่ปกครองหุ้มเมืองปรีดนาทาเรนและกดขี่รัศดรเอาตามใจจนรัศดร อ, อยากเข็นหลบลี้หนีไปอยู่ป่าทุกวันทุกวันวันละมากๆพวกที่หนีออกไปนั้นก็ไปส่องสุมกันเป็นโจรละสิ แล้วก็เที่ยวปลนสะดมชิงทรัพย์รัศดรตามหมู่บ้านหุเมืองต่างๆทำให้เกิดความเบื่อร้อนเพิ่มขึ้นไปอีกถึงแม้ว่าจะจับผู้ร้ายได้เป็นครั้งคราวแต่ก็ไม่มีรัศดรคนใดกล้ามาเป็นเจ้าทุกหรือเป็นพยานทั้งทางที่โจพรพ ม, ม่าในสมัยนั้นปล้นโดยไม่ต้องโผหัวมอมหน้าเหมือนโจรเมืองไทยให้เสียเวลา ถึงว่ารัสะดรจะจำมากคนร้ายได้ก็ไม่มีใครกล้ามาให้การต่อเจ้าหน้าทีเพราะรัสะดรเกรงกลัวผู้ร้ายเท่ากับพี่กลัวขุนนางแหละโจรคณะหนึ่งกำเริบเสบสารถึงเขียนจดหมายปักไว้หน้ากรุงมันดะเลท้าให้พระเจ้าสีปอส่งสารออกไปรบนอกกรุงจะได้ประลองฟิมือกันให้สนุก ที่เมืองซาเล่โจรเข้าปล้นจวนท่านผู้รัง้งราชการขณะที่กำลังว่าราชการพร้อมด้วยกรมการจังหวัดเจ้าเมืองและกรมการต้องปีนรั้วหนีโจรเอาตัวรอดที่สำคัญก็คือขุนนางในสาลาลุกขุนหลุดดอกหลายคนสมคบกับโจร คอยคุมกันและเป็นสายให้กับโจรคณะต่างๆตามหุ้เมืองและได้รับผลประโยชน์ที่โจรแบ่งให้แตงดามิ่งกี้นั้นมีชื่อว่าสมคบโจรร่ำรวยมากและกรุงมันดาเลนนั่นเองก็เป็นที่หากินของขุนนางผู้ใหญ่ชั้นอัคคมหาเสนาบดีนี้ ความเดือดร้อนของราษฎรทั่วประเทศมิได้ร่วงรู้เข้าไปถึงพระเนตรพระการพระเจ้าศีป่อหรือพระนางสุปัจรัตต์ซึ่งประทับอยู่แต่ในพระราชวังกรุงมันดาเลเลยแม้แต่น้อยไระขณะนัื่อพระนางสุปัจลัตต์ทรงพระคันและโหนกราบบังคมทูลทำนายว่าจะประสูตรเป็นพระเจ้ารถพระเจ้าศีป่อได้ทรงฟังโหนทำนามก็ดีพระทัยมาก กระสังให้หาพี่เลี้ยงนางนมเตรียมไว้ทรงประกาศว่าพระโจรถประสูติเมื่อใดก็ใช่รับงพระเจ้าทายาทและให้ทำพระอูขึ้นด้วยไม้มะม่วงเอาทองคำมาตีแพ่หุ้มพระอูนั้นและพระอูนั้นประดับด้วยเพชรด้วยพลอยอันมีค่าสิ่งพระาชทรัพย์ไปหลายหมื่นช่าง พระเจ้าสีปอโปรดให้ช่างฝรัง่งชาวอิตาลีคนหนึ่งเข้ามาคิดแบบสร้างเครื่องยนต์สาหรับไกวพระอู่ขึ้นเครื่องหนึ่งสร้างเครื่องมือสหรับไกวเปลจาฟ้าชายประสูติมาเมื่อใดขึ้นพระอู่แล้วจะได้ต้องไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ต้องอาศัยมือคนไกวพระอู่นั้นครั้งนั้นโหนทำนายถูก ต้องพระนางสุพยรัตประสูตรเจ้าฟ้าชายโหนก็ได้รับพระราชทานบาเหน็จราวันเป็นนันมากและในวังก็มีพระราชพิธีขึ้นพระอูเจ้าฟ้าชายเป็นงานใหญ่ตามพระาชประเพณีเมื่อมีพระเจโอรสแล้วพระเจ้าสีปอก็ดูเหมือนจะทรงคิดไปว่าราชบันรังของพระองค์นั้นปลอดภัยเจ้าฟ้าที่ประสูตรใหม่นั้น จะต้องได้ขึ้นสวยรัาชสมบัติจากนายอื่นๆที่ยังมีพระชนอยู่เพราะหลบหลีกท่อนจันไปได้มั้นคงจะไม่มีทางมาแย่งชิงราชสมบัติไปจากพระองค์ได้แต่ในปี2423พุทธศักราช2423เกิดมีไข้ทรพิษระบาดอย่างหนักในพมา่าผู้คนออกฝีดาษ ตายกันอย่างที่ไม่เคยพบเห็นกันมาแต่ก่อนพระเจ้าพะคันมินประชวน่ายทรพิษแล้วก็สวรรคตลงในปีนั้นและเจ้าฟ้าชายพระจุรัสที่ประสูติใหม่ก็ประชวนด้วย่ายทรพิษแล้วก็ที่วงคตลงเหมือนกับลูกชาวบ้านอีกจำนวนมากมายหลายพันคนที่ออกฝีดาษแล้วตาย แม้ว่าในสมัยนั้นการสาธารณสุขและการแพทย์ได้เจริญพอสมควรแล้วแต่พระเจ้าสีป่อ ก, ก็ไม่ได้ทรงทำอย่างไรทางด้านนั้นแต่การที่พระเจ้าพระคันนิ่งสวรรคตและพระเจ้ารถผู้เป็นรัชทายาทที่วงคตนั้นโหนกราบบังคมทูลทำนายว่า มีพระเคราะห์ใหญ่หลวงนะต้องสะเดาะพระเคราะห์เสียถึงจะพน้นวิธีที่จะสะเดาะพระเคราะห์นั้นก็คือต้องสร้างพระนครขึ้นใหม่แล้วย้ายราชธานีจากกรุงมณฑลเล่ไปตั้งอยู่ณที่นั้นสร้างเมืองใหม่กันความจริงตามที่โหรพราหมณ์กราบบังคมทูลถวายเช่นนั้นนะ่ะ จะว่างโงเงาไปหมดก็ไม่ถูกกรุงมันดาเลในสมัยนั้นสกกระปรกรกุมรังจนไปที่อาศัยของเชื้อโรคต่างๆทุกชนิดผู้คนป่วยเจ็บล้มตายลงไม่เว้นแต่ระวันเนื่องด้วยกรุงมันดาเลสร้างห่างจากแม่น้ำและไม่มีคลองระบายน้ำเลยขยะมูลฝอยต่างๆก็กองทับผมกันอยู่ในพระนครและรอบพระนครโดยไม่มีใครดูแล เรื่องความสะอาดของบ้านช่องหรือบ้านเมืองนั้นพม่าในสมัยนั้นหรือแม้แต่ในสมัยนี้ก็เถอะเขาไม่ค่อยถือกันเท่าไห ร, ร่นหรอกเมืองย่างกุ่มเมื่อราวๆสิบกว่าปีมานี้นก็ยังน่าดูเพราะเป็นเอกราชแล้วไม่มีฝรั่งมาคอยเก็บขยะให้แม้แต่อูทันเรขาธิการสรรปชาชาติเอง ก็เคยถูกเจ้าของแฟลตที่อูทันเช่าอยู่ที่นิวยอรกฟ้องเรียกค่าเสียหายเพราะอูทันราเลขาที่การสัรปชชาชาติไปทำแฟลตเขาสศกรปรกจนเกินการเขาฟ้องเอาแต่เพื่อความเป็นธรรมเหรนจะต้องพูดไว้ด้วยว่าเอกนักรจชทุดไทยคนหนึง่ง ที่กรุงเบิร์นสวิสเซร์แลนซึ่งเป็นนักแต่งเพลงปลุกใจและละครปลุกใจจอมพลก็เคยโดนฟ้องแบบเดียวกันนี่เหมือนกันมนนีทั้ง ท่านเอาอะไรมาสอดแทรกไว้เราได้ฟังกันเอามาเดินความกันต่อไปอย่างไรก็ตามพระเจ้าสีปอทรงปรึกษาคุณนางแล้วก็เห็นว่าการย้ายพระนคร น, นั้นไม่มีทางทำได้เพราะกรุงมันเะเลได้สร้างขึ้นไว้ใหญ่โตหนานแน่นเกินกว่าพระนคร อ, อื่นๆและในยามทิ่โจพระราชชุกชุมในหัวเมืองทั่วไปนั้นจะออกไปสร้างพระนครที่อื่นก็ดูออกจะเหลือเข็ เพราะไม่ปลอดภยดัยโดยประการท่านพวงจึงกระตัสั่งให้โหนพราหมณ์หาวิธีสระพระเคราะห์ใหม่หาวิธีใหม่โหนพราหมณ์พม่าในในสมัยนั้นก็ต้องเรียกว่าท่านแสนจะเก่งเมื่อได้รับพระรากระแสงมาฉันก็กลบบาวบังคมทูลขึ้นไปว่าเมื่อไม่สามารถสร้างราชธานีขึ้นใหม่ในที่อื่นได้ก็ให้สร้างราชธานีขึ้นใหม่ ในกรุงมันดะเลนั่นเองแหละวิธีทำก็ไม่ยากนะคือให้จับเอาคนทั้งเป็นมาฝังตามประตูเมืองมุมเมืองประตูพระราชวังมุมพระราชวังเล็กใต้พระแท่นสิงหาในทองพระโรงเพียงเท่านี้ก็เหมือนกับสร้างเมืองใหม่เพราะถึงสิ่งก่อสร้างต่างๆจะคงเดิมผี ก็จะรักษาพระนครต่อไปนั้นก็จะเป็นผีใหม่มีฤทธิ์เดชยิ่งกว่าผีชุดเก่าแต่คราวนี้จะต้องทำให้แข็งแรงกว่าคราวก่อนโหนพรามกราบบังคมพูนว่าจะต้องเอาคนมาฝังเป็นผู้ชายร้อยหนึ่งผู้หญิงร้อยหนึ่งเด็กผู้ชายร้อยหนึ่งเด็กผู้หญิงร้อยหนึ่งทหารร้อยหนึ่งชาวต่างประเทศอีกร้อยหนึ่งด้วย รวมชีวิตคนทั้งสิ้นหกร้อยชีวิตการจะควรประการใดสุดแล้วแต่จะทรงพระมาการุณาโปรดกล้าวโปรดกระมมอมพระราชอาจยาไม่พ้นกล้าบพ้นกระมมอมขอเดชะเอาโหนพราหมณ์กราบทูลดังนี้ พระเจ้าสีปอได้รับคำกราบบังคมพูนของโหนพรามแล้วก็ทรงเห็นว่าควรโปรดกล่าวไ ม, ลาาวม่ลงพระราชอาญาแก่โหนพรามแต่ถ้าลงพระราชอาญาแก่คนอื่นซึ่งไม่มีผิดคนอื่นที่ไม่มีความผิดบาปอีกห0 0อชีวิตจะต้องได้รับการสังเวย เมื่อทรงปรึกษาคุณนางก็ไม่มีผู้ใดพัดฐานโดยเห็นว่าผู้ติดตายนะั้นไม่ใช่ตนนี่ก็จึงให้มีประกาศพระบรมราชโงการสั่งให้กรมกองที่เกี่ยวข้องจัดการตามที่โหนพรามกราบบังคมภูนเมื่อข่าวนั้นปรากฏไปในกรุงมันดะเลราษฎรทั้งเมืองก็พากัน อ, อพยพทิ้งบ้านทิ้งช่องออกจากกรุงมันดเลไปเกือบหมดสิ้น คนจำนวนมากก็โดยสารเรือกลไฟของฝรั่งล่องลองไปอยู่ในพม่าใตา้ที่พม่าตอนนี้เป็นพม่าใตา้พม่าเหนือแล้วพม่าใต้นั้นอยู่ในบังคับอังกฤษอะพวกนี้ยอมตนไปอยู่ใต้การปกครองของฝรั่งไม่คิดกลับมาเป็นข้าเป็นดินกรุงรัตนบุรีอังวะอีกต่อไปแล้ว เหมือนราษฎรหนีออกจากเมืองมากขึ้นขุนนางที่ซาลาลุขุนหลุดดอกก็ได้คิดหาก ร, ราษฎรพม่าซึ่งเป็นข้าแผ่นดินของพระเจ้าสีปอยังพากรรักชีวิตตนยิ่งกว่าบ้านเมืองเช่นนี้ฝรั่งซึ่งคอยหาเรื่องอยู่แล้วนะ่ะจะคิดอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมื่อโหรพรามกำหนดให้เอาชาวต่างประเทศ มาฝังด้วยถึงร้อยคนเนี่ยคุนนางก็พากันกราบบังคมทูมลพระเจ้าสีปอให้กลบอื่นเรื่องนี้เสียโดยให้ออกประกาศไปว่าพระบรมราชโอการที่จับคนนั้นเป็นความจริงแต่คนที่จับมาได้ตามพระบรมราชโอการนั้นก็จับมาได้แล้วมีจำนวนเพียงพอแล้วไม่จำเป็นจะต้องจับเพิ่มจับเติมอีก ให้ออกประกาศไปอย่างนี้พระเจ้าสีปอก็โปรดให้ทำตามมันคนที่ถูกจับไปในครั้งนั้นปรากฏว่าถูกปล่อยตัวมาก็มีบ้างที่หายไปเลยก็มีจะถูกเอาไปฝังทั้งเป็นหรือไม่ไม่มีใครทราบ สำเร็จการสำเร็จโทษเจ้านายและประหารชีวิตผู้คนจำนวนมากมายนั้นปิดไว้ไม่มิดหรอกในเวลาเพียงไม่กี่วันทางย่างกุ้งเราเรียกว่าพมา่าใต้อ่ะก็รู้เรื่องโดยละเอียดและจากย่างกุ้งข่าวนั้นก็ถูกส่งไปทางโทรเลขทั่วโลก เพราะรังชาติต่างๆนั้นออกจะตื่นระหนกและไม่พอใจในเรื่องนี้มากอยู่รัฐบาลอังกฤษสร้างให้ในายชอผู้สื่อเป็นรัฐิเดนของอังกฤษอยู่ที่กรุงมันดาเลในขณะนั้นยื่นคำประท้วงอย่างแรงต่อรัฐบาลพมา่านายชอร์รัฐสิเดนก็ปฏิบัติตามคำสั่งโดยเขียนคำประท้วงไปวางที่ศาลาลูกขุนหลุดดอก เจริญเลที่เก้าสิบเจ็ิบเก้าี่แยกวสุกระศักด์หลังโรงเรียนในรออ้อยจะจริญเป็นสถานที่จรหญนักศึกษธรรมทุกชนิดเพชรธรรมะมากมายแหล่เทพมหชาติเรื่องกฎแห่งกรงกรมโดยพระครูสังกัรตบุญเรือปัญญาปรโสรสมเด็จสมบูรณ์ดาวชาดกแหล่เทพมหชาติเบียสันดอนชาดกแหล่ทำควัญหน้าโดยสมเดินสมบูรณ์ดาวชาดกแหละทำควัญหน้าโดยน้ําทุ่งเพชรอุไทยเพชรธรรมะจากครูบราอาจารย์ต่างๆ โดยเฉพาะเทปธรรมะภาษาจีนแต่จิ๋วบรรยายเป็นภาษาจีนแต่จิ๋วโดยในแพทย์ตันหมอดเซียนพร้อมในเทปธรรมะจากพระอาจารย์ต่างๆอีกมากมายเทปธรรมะสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาโดยพระเถระผู้ใหญ่ครกชุดณพิรานธรรมเจริญเลขที่ 87-99 สียย่แยกจุกระสัดถนนประชาธิปไตยรังสุเนตรในร้อยจาะรอรกโทรศัพท์ติดต่อสอบถามด้วยที่2811535 2 8 2แ9 6 0, 0ครับครับครับครับ